ประเภทของพระอระหันต์ในบรรดาทักินัยาบุคคลหรือพระอริยะบุคคลที่ได้จำแนกแยกประเภทให้ทราบทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากนั้นในฐานะที่พระอระหันต์เป็นบุคคลสูงสุดผู้จบสิกขาเป็นอเาเสขะเสร็จสิ้นภาวนาเป็นภาวิทแล้วบรรลุจุดหมายไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อประโยชน์ตนอีกต่อไป เป็นผู้มุงบำเพ็ญป ร, รัรถนเพื่อประโยชน์สุขแห่งพระหูชนเพื่อเกื้อกาวรุ่นแก่ชาวโลกจึงควรแยกออกมาแสดงให้ชัดเจนเฉพาะเป็นหมวดหนึ่งพระอระหันต์ซึ่งมีทั้งหมดสองประเภทนั้นแยกออกไปโดยคุณสมบัติพิเศษที่ได้และไม่ได้พร้อมทั้งความหมายสรุปอีกครั้งหนึ่งดังนี้ประเภทที่หนึ่งพระปัญญาวิมุต คือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มุ่งหน้าบำเพ็ญแต่วิปัสนาอาศัยสมถะเพียงใช้สมาธิเท่าที่จำเป็นพอเป็นบาดฐานของวิปัสนาให้บรรลุอาสวะขยญาณเท่านั้นได้สมถะไม่เกินรูปฌปานสี่ไม่มีความสามารถพิเศษเจนเขานิโโลสมาบัติไม่ได้ไม่ได้โลกิยาอภินยาห้าเป็นต้นจำแนกได้ดังนี้ พระสุขวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสนาล้วนได้สมาธิถึงระดับฌานต่อเมื่อถึงขณะแห่งมรรคพระปัญญาวิมุตตผู้ได้ฌานสี่อย่างน้อยขั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสนาที่ให้บรรลุอรหัตผลปฏิสัมพิทัปปตตะ ผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสี่คือได้ปัญญาแตกฉานสี่ประการประการที่1อัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัฏฐหรือปรีชาแจ้งเจนในความหมายประการที่สองธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมะหรือปรีชาแจ้งเจนในหลัก ประการที่สมนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติหรือปรีชาแจ้งเจนในภาษาประการที่สปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานหรือปรีชาแจ้งเจนในความคิดทันการสำหรับผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาสี ไม่จำต้องเป็นอุพโตภาคาวิมุตติพระอรหันต์ปร ะ, าารประเภทที่สองพระอุพโตภาคาวิมุตติแปลว่าผู้หลุดพ้นด้วยส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นจากรู ป, ปากายด้วยอรู ป, ปสมาบัติและหลุดพ้นจากนมามกายด้วยอริยมรรค เป็นการหลุดพ้นสองวาระคือด้วยวิขัมพณะข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังสมาธิของฌานโ ห, หน่งและด้วยสมุดเฉดตัดกิเลสถอนรากเง้าด้วยปัญญาอีกน ห, หน่งความหมายของปัญญาวิมุตต์และอุปโตภาคาวิมุตตอย่างนี้กล่าวตามอัธกถาและดีกาจําแนกได้ดังนี้พระอุปโตภาคาวิมุตต คือพระอระหันต์ผู้ได้สมถะถึงอรูปฌานอย่างน้อยหนึ่งขั้นแต่ไม่ได้โลกิยะวิชาโลกิยอภิญญาพระแต่วิชาพระอระหันต์ผู้ได้วิชาสามคือพระอุปโตภาคาวิมุตนั้นผู้ได้วิชาสามด้วยวิชาที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณ ยานเป็นเหตุระลึกได้ซึ่งขันที่เคยอยู่อาศัยในก่อนแปลกันง่ายๆว่าระลึกชาติได้วิ ช, ชาที่สองจุตูปปาตายานยานอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมถือกันว่าตรงกับทิพจักขกุหรือทิพยญจักสุ วิชาที่สามอาสวะขยายานยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหรือความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะพระชละพิญญาพระอรหันตผู้ได้อภิญญาหกคือพระอุปโตโาคาวิมุต่นั้นผู้ได้อภิญญาหกด้วยคือหนึ่ง อิทธิวิทาหรืออิทธิวิธีความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธ์ต่างๆได้ 2. ทิพโสตยานที่ทำให้มีหูทิพ 3. เจโตปริยญาญยานยาที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้คือถ่ายใจเขาได้ 4. อุปเพนิวาสานุสติยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ หทิพจักขุยานที่ทำให้มีตาทิพและหกอาสวะขยายานยานที่ทำให้อาสวะสิ้นไปพระปฏิสัมพิทัปัตตกพระอระหรอันตุปโตภาคาวิมุตผู้บรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้น พระอาหารหันต์องค์ใดเป็นทั้งจราพิญยะและปฏิสัมพิธาปัตตะย่อมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์ครอบคลุมทั้งหมดขอย้ำอีกครั้งว่าในบรรดาชื่อทั้งหกนี้สุขวิปัสสกะเป็นคำรุ่นอัธกถานอกนั้นมีมาในบาลีเดิมอันหนึ่ง ในวิสุทธิมรรคแสดงพระอระหันต์ไว้หประเภทเหมือนกันแต่อันดับที่หนึ่งเป็นสัทธาวิมุตติแทนสุขาวิปัสสกะนอกนั้นเหมือนกับที่นี้สัทธาวิมุตติก็คือผู้ปฏิบัติโดยมีอินทรีย์ข้อแรกคือสัทธาแรงกล้าจนบรรลุโซดาปฏิพลแล้วเรียกติดเรื่อยมาตามชื่อเดิมจนบรรลุอรหัตผล ตามแนวคุตการนิกายปฏิสัมพิธามักซึ่งเขียนเป็นสัทธาทิมุตแต่มานายนิสุทธิมักลายเป็นสัทธาวิมุต